Book 2 68. i s h i r a y r a i s h i r a y r Yai, lek. y e n t s u k Yenu t s u k Yai lek. y n u t s u k ยืนนะชสกุช้างตัวใหญ่ผึ้ยรยืนยยืนหนูตัวเล็กสกร์กุสกอมือดและสว่างซุนจ์ไชีนฟซน เอจฟตอนกลางคืนมืดเชร์ึนจเชร์ึน จ, อนจตอนกลางวันสว่างมาฟฟมาฟเน ฟ, ฟ, นฟแก่ชราหนุ่มสาว จูร จ, จีจจคุณปู่คุณตาของเราแก่มากจิตาเตจุดด็ดจิ ต, ตจุดด็จสิบปีที่แล้วท่านยังหนุม่มอิเชดดดส ตัวชิชรับสั่งว่าเราจะบปทำไมร์จิรินบูจิช่างสวยและน่าเกลียดดาฮะ์ชิอายะดาฮะ์ชิอายะผีเสื้อสวยฮัมปราช์ดาฮะ์ฮัมปราช์ดาฮะ แมงมุมน่าเกลียดเบดจร์อายเบจร์อายอ้วนและผอมพชอรอจิวดพชรจิวดผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนบนึ่งรกิลโลกรัมมีสัดช่วรพเชอก์ กิลกรัมมิเช่กัจเชชร์พิชรผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอมขุฟโก้ลกรัมชนะกว่ากัจเชชร์ุดขุฟโก้กิโลกรัมชนะกว่แพงและถูกแชปะจีพูดแชปะ รถราคาแพงอชราปะม аш ินร์าปานหาปนังสือพิมพ์ราคาถูกโรซิูร์พูด